จนอดไปหล่นทนไม่ได้เราจะมีจริงหรือปฏิบัติจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปอ้อแยกครอบไปเลยทิ่งทุกอย่างเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีบุญก็ไปสวรรค์ถ้าไปบาปก็ไปนรกนะเราไม่อยากตกนรกเราไม่อยากเป็นเปรตเราไม่อยากเป็นในิสสุรกายเราไม่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 ตั้งใจทำลองดูทำมันก็ยังครึ้นๆึกลางกาทำไปบางทีมันก็กลับมหาหานั่งสงบพอยกมือไปอีกมันก็มาอยู่ในความสงบเพราะความสงบมันมีมาตั้งสิบยี่สิบปีมันฝึกมาแบบแบบจนเห <c oughs> ็นเกิดเสื่ของความรู้สิบตัว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 จะทำให้จเจริญได้ความถูกต้องจเจริญความไม่ถูกต้องหมดหายไปเ <c oughs> หลือแต่วความดีความถูกต้องไปรเรื่องบุญเรื่องบาปไปเห็นบุญเห็นบาปเออไปเห็นศีล <c oughs> เห็นสมาธิ <c oughs> เห็นปัญญาไปเห็นศาสนาไปเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โอ้มันคืออย่างนี้ตัวบุญคือตัวดูตัวรู้ตัวเห็นตัวบาปคือตัวไม่รู้อะไรอี่เทว่ดูที่เห็นเทวติรู้เห็นไม่เป็นตัวบุญโง <c oughs> บาปก็คือโง่บาปคือไม่รู้อะไรสุ ก, กาว์ทุกอวโกรเอวหลงก่์ล้กก็ชังอว์ปนี้รู้ตัวรู้ตัวเห็น เรา่งนเป็นความโกรธไม่เอาเราไปเก็ <c oughs> <c oughs> บเห็ดหรือไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องถูกต้อง <c oughs> เราปลูกปอดเราปลูกปันหญ้ามันขึ้นเราเอาหญ้าเอาให้มันมันงามเราไปเก็บเห็ดเห็ดอันใดที่มันมีพิษเราไม่เอาเราเก็บเอาเห็ดที่ไม่มีพิษเราเลยเริ จ, จัดการจัดสรร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 อทำอาคีบทอผ้าไม่ทําอะไรที่มันชวนให้เราทํามันาศาสตร์จักสานนี่ศนะิลปกรรมรร ม, มันชวนให้ทํามันชวนให้เห็นท้าทายกับความทุกข์ท่าทายกับความผิดที่เราจักสานนีนะ่มันผิดตรงไหนดูมัน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 จุไปหุงข้าวฟึ่งข้าวทั้งอุ้มลกทั้งทำอะไรต่างๆแต่ว่ามันสนใจที่จะต้องทําเรื่องหองข้าวหาอาหารให้โลกเดี๋ยวไปจะไปโรงเรียนจะได้กินอะไรนี่มันเป็นมั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการชวนให้ชวนนห้ทำแลว้วก็เวรอะไรก็ไม่ขวางกันไว้ไม่ได้ด้วยสิ่งที่ควรจะทำในบ้านตื่นขึ้นมานะ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 ยังไม่ได้ดูมันก็โจนตรงนี้ไปแล้วอ่าทุกวัย่างทุกวย่างต้องหลายวันงั้นกับเอาขึ้นสันอ่าบักท่านสุขอพอนะที่จะจบนาะทนสันบักท่านสุขเนะก็ขึ้นไปต่อตัวน้วยเดียวลนหมดเยนั่นา <c oughs> ะามันสุขอ่ะวางไว้ต้องขยายต้องสันมันจงึง จึงหลุดลงมาเลยแต่วางโลกพอขึ้นไปแล้วลมแล้วโคบเข็โคบเข็ทุกต่างอันนี้ผมพูดถึงถูกมะก็หลุดออกไปเห็นควโหลงมายในยโอ้ยหลุดง่ายที่สุดเลยความเชื่อเลืกเชื่อยามเชื่อผีเชื่ออวิธีกรรมต่างตอ น, นี่ลดไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นหมอเซียนสตร์เป็นหมออลไรผีเป็นหมออะไรคาถาอาคมเลยโอ้ย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 อาหักต่อไม่เงี้ยมีแล้วยเยมันแปดเดืนก่อเผาดีงาเจกตาหาไปร้อยหสิบเนาะยกขึนบ้าไปเลยตั้ ง, งนังน่งงงไงวะเอาเพืนสอดเจกตาแบบนัง่งงงดันขึนเซ่เจ๊เเเเเเเไตเปบบ็นเท่ า, าทกกน้าจัดจัดจัดจัดจัดว่าไปหอดลยเขาบ้านใส่บานมาหับยกกัตาเอาแ่า เป็นในวัดเขาบอกก็ตาหับจากบ่าวบ่าววิ่งไปบอกบ่าวข่นฉล่ะละบาวพอขึ้นละแดงขันฉบ่าวกูก่อความเงาหลงหงความทุกข์ต่างๆลดเลยได้ป่ะเนี่ดได้แท้แในฤกษอ่าหลวงนายชุดแเพียร อ่คนนั่นะมออกแกงคอแล้วมันเบารู้อ่านีบุญนีลีโอ้บุญคือตัวรูปเนี่ยตัวรูปตัวรูทุกเนี่ยเตัวเห็นแจ้งน่เลยตับุม่ใช่มาอะไรยังไงบ้าพุ่นแล้วโอ้ท่างตัวบนมันอยู่ไหนบาปมันอยู่นได้ยัเกิดสิ่ขึ้นมาบเกิดสมาธิเกิดปัญญามาแท่นระบดแทนทีปั๊บเปิด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 ทานเกาเ่าร่วงเพราะว่าเก่าเลยบัณฑ์กิบไปเลยบัณกิบ ด, ด, ด, ด, งดองไม้เลยบัณเพราะมันดองไม้ดงเกา่าเรามันสะอาดกว่าเกา่าก็ผ่าห้องละอ่าแ้ อ, อ, อเชื่อพระองค์ไปช้อมือยังเปิดไปชากกันหน้ามันพอดีอืมที่ไหนม า, าจากนี่ฮะเวลาจึงเขมันไม่กินจะหน่อยเออเออเ่ไรต้องแสียไปให้บริสุท้าพื้นเก่าแต่ว่ามันสะอาด รับรองาหอมเลยหอมเลยละบรราผ่าพื้นเก่ากิ๊อันเก่ากิ๊บเดิมกิ๊กนี่ก็เดิมเดิู่แล้แต่มันเปิดเปืกเอกนะสาสิบปีมันเปพืออกอะไรเรจยเปิดเปือนความาบเปืเอความสงนเปือเอความอิ้าพยาบาทเปลือเอความโกรธความหลความรงจนเหล่เก่าหายไปด้บันทึกว่าฝืนขึ้นมาขึ้นสู่สภาพเก่า กิจสูสภาพเดิมประภัสสะระเบิดังพิกเวจิตังิ <c oughs> ที่บริสุทธิ์ประภัสสะิจเดิมดิมบดนี้เข้าสูสภาพเดิมขึ้นมาขึ้นขีบแ้วก่อนมันพัดไปทุกทุ่นทุกพบทุกชาติทุกแนบอย่างบาดนี้ยืนยืนยืนคงนั่งคลงละเบิดไม่ไปใจและวบิด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 านาส like, ิ่งมนหาวน่าว no ou. ัน่งิมันี้เข้าที่เลยต้องเรีมันเข้าที่มันอยู่ได้นะจึงจะอยู่ได้แตาีเข้าที่มันอยู่ไมได้ไม่ใช่ไม่ได้าทางเข้าที่มีกว่าเก่าดีกว่าเก่าถวิวัฒนาการเลขึ้นเลยวัดวัฒนาดีขึ้นเลยวต่างเก่าทิด้มเห็นแล้วัดพบใหม่เลย คนปคาากครอ้เหรอจะว่ามันเป็นพบใหม่พบภูมิมันพบใหม่ภาวะาใหม่เ่วานเลาบอกว่าอ่าบุพเณวานสารสติานตะกี้น ะ, ะ น, นะตะกนปนะพ่นใด ต, ตุปจยว น, นี้มันส่อาสะวะาวกข ย, ยานันอันไหมันหมดไปแล้วอันไมันไม่มาใหมา่ ลเูเอหงอปัจจตังเวชิตาภูวินโยหิตนะวันโอ้ว่าไนพระพุทธเจ้าว่าสิสิ้นมันยนังโดนหัอเพียุปเทนิวาสานุสติยานตะเกียสามสิปีสี่สิปีมันปเป็นยังไงบุพเพคือปางก่อนตะกอนอ่าุคคลหัวโลกได้บอกมา น, ะ น, น่าข้อเท็หนะ ยตุปจยายามที่สองเกิดขึ้นยุไซบันเนที่เกิดที่ตังตั้งไว้ตรงไหนดูให้ดูให้บเนคือก่อร่าบเนตั้งไว้องตรงุไม่ที่เกิดวิธีเกิดไม่ที่นัอาสวะขยันสิ้นไปบางอย่างสิ้นไปทำอาสวะให้สิ้นไปอาสวะที่คนไม่ดีทั้งหลายะสิ้นไปโอ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 อาศุโลกายพุมพ่มเปรตพุม่มฤๅษีฉานพุ่มมันนีง่งเราเหลือบิสัยติปได้รับรองบ่ตกต้นหลกบ่อไปสู่พุ่มต่าบ่ไปสู่พุ่มมันต่ำแทนไม่จะไปยังไรมันเห็นอยู่เนี่ยังสี่ได้ปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัตริรรทุ่มต้องเป็นยังสี่ต้องตอบได้เห็นเจ้งสินะสัจจะทำเลย อดีตนายดยุคนแรกฉันว่าอะไรต้องมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวมายับดวงตามาดูเจ้าของมาเมื่อนตามาปลุกให้ตื่นพอเจลาเรียกกุศลปวดทรวงปวทธวให้ตื่นคือว่าตื่นคือวามามือนงตามาดูแลมาดูตัวเองมาดูโลกกโลคขยาบรมาระพาสูทั้งหลายจะมาดูลกนี่อันวิกิตรการดุจลาศิล ลาดจะลดคือมันตกแดงเหลือเนะเขาแทงโลดด้เลยเขาแทงสีแตงกิ่นแทงเสียงแทงรดลดที่นี่ลดก็เก่ารูปก็ม่ีรดเสียงก็มมีลดเนี่ยกินก็ม่ีรดเนี่ยกายก็มีลดเห็นไหมม่มีลดก็เก่าเขาเห็นหลงก็ปีนอันนทหารเขาังเห็นเหรอหลงก็กไปปนไกลๆเนี่เขาไกลมาแล้วก็มาเส่ฝงสลดมาบ่ไหนมาเส่ฝงสลด สองสามชั่วโมงเขาก็เอายางไนใสรลงไปเอาไปปิ้นโอ้แสบแสบแสบอ่ะเอ้แทนไม่มีรถให้แทเขาหลงโดยเฉพาะมีกิจการหลุดหลาจะรถที่คนหลงทั้งหลายหมกอยู่เละจมอยู่ผู้มีปัญญาหาค้องอยู่ไหมอบอกข้องไล้แทะบอกหลงยังเป็นยังเลือกเพราะถูกมาหลอกกัน ผมก็ต้องว่าปัจจัดีที่สุดปัจจัดีที่สุดหลวงพ่อมันว่าดีที่สุดปัจจัหลวงพ่อคือว่านำผลดีที่สุดนำผลดีที่สุดเค็มมันยังเค็มแล้วเพราะว่ามันเป็นของกิ่งขัว้วกิงเป็นทังสิ้นนะฮหลวงพ่อบอกฟังเนะะาะยังเชียวหลวงพ่อเลยต้องทาเด้อเพราะไม่จำเราขั้วหลวงพ่อมันไม่เป็นของตอบเลยต้องมาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ได้เวลาแล้วพอสินนายสินทั้งหลาย ตังกันสมาทานประกาศสินประกาศสน้กาตนาส้ดอกันสาธุสาธุสาธุอจพนโตประกาอมิโสเอวะโโพนโตทิโเนักวตาปัญญตธรมวันตตะ เยวะตัศฐา a ะอุปาต i ะอุปาติการังอุโภตตะตาตะตาโลโหติหันธรรมยังคนโตสัพเพทัสมาทตาสัตตะพัทวะโตธมุธรรมะปสิปัตติยาปูชนธาตุนิมมจจรติงนิมมัจิวะสังอสังสัมมนาังอุโตอุปิตสมาติารริเฉทงกตวา ต่างต่งเวงรัมณิงอาราณังริตวาอาวิกิตาคิตาอุตตวะตกัจจังอุโปโธตะังสมาธิเจเยามะอิทิสังนิอุโปโธตะังดัมปทานังอันหาตังอิปิตัมมานิรัตังโหตุขอประกาศเรื่องเรื่องความที่จะสมาทานรักษาโวตร์อันพร้อมไปด้วยองค์แปรประการให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานบับนี้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 แล้วพึงทำความเม้นโทษ น, น, นั้นเป็นอารมณ์อย่าให้มีจิตทุ่งท่านตรงไปที่อื่นพึงสมาทานองค์โบสตทั้งแต่ประทารโดยความเคารพเพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันนึงชีวิตเราทั้งหลายก็จะอยู่รอดมาจนถงึงวันโบสตรเช่ น, นี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยร่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์นั้นเลย <c oughs> มัจยังบันเต ติสระเนระสะหาอัตถังคัตมะทาคตังุปโภตังยะจามาตุติยัมตีมยังทันเตติสระเนระสะหาอัตถังคัตมนาคตังุปโภตังยะจามาตุติยัมตีมยังทันเตติสระเนระสะหาอัตถังคัตมนาคตังุปโภตังยะจามา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 ทุติยมมังสรนนมพิธังคังสารนังกัจจานิทุติยมพิธังมังสารนังกัจจานิทุติยมพิธังคังสรนังกัจจานิทุติยมพิธมังสรนังกัจาิ ตัดยามพิสังข์สระนังขจามีที่สระนักขมันังมิทิตังปนาิปเวระมณีสิกขาปัทังสมะธิยามีตัดนาถานาเกระมณีสิกขาปทังสมิยาม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 อุจจารย์เสยามาห์เสยนามาห์เวรัมณีสุขาพันธสมาธิยามีอุจจาย์นามาห์เสนาเวรัมณีสุขาพันสมาธิยามีอิมังอัตถังร ja ัมนาคตังมุลกตังิมันระติิมันวะสัง สมมาเทวะอาธิราชจิตตุงสมมาธยามีพระเจ้าทั้งหลายจะข อ, อน้อมรับอโอเบสดิงอันเพราะไปร่วมแ ป, ปรการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ญญาตรงบรรยัติแจ้งตั้งเวีดีแล้วจะเจริญต้าวเฮียร์ีเนี่ยครับ มีให้ทำรายตลอดชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งเพราะกุศลทนมบุญสน่วนนี้จึงเป็นอกตัญญยเป็นปัจจัยนำไปสูงพ้ะนิานในอนาคตกตารเรืองหน้านีเธอราสงบนี้อนนัตถาสิ ขถตาสีราวาเชนาชาตุคังกตตวะพมาเทนัลกีตบหาณีสีเลนะชกติงยันตีสีเลนะพุกจัมปทาสีเลนะนิปติงยันตีตัสมะสีลองวิโตไทยกพรอกันอสม